หลุดลจากวันนั้นก็ฟังใจฉันได้เริ่มใหม่ นซ่อนบางสิ่งฉันมีความหวังจึงค้างคาในความรู้สึกไม่คัวกับทุกคำหอจะตีร้ายสร้างมันจะไม่เสียใจ วันนั้นฉันน่าใจว่าฉันรู้สึกยังหวังจะพบคำ m o l d t i a m